ถึงท่านผู้ฟังที่ นิทานเรื่องน้ำใจเพื่อน 80 ศูนย์ที่เมือง 80 ชื่อ ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก แล้วพึ่งพาใครวันหนึ่งได้เลยเพื่อนเศรษฐีด้วย คุณก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกจ้ะพี่ไม่มีเพื่อนล่ะ พร้อมตลอดเวลาที่คบกับเค้า ก็ออกเดินทางมุ่งหน้า รู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังฆเศรษฐีใน ก็เดินตรงไปที่ประตูรั้วบ้านแล้วมา สังฆเสถีแสดงความดีใจกล่าวต้อนรับ ร่างกายสดชื่นขึ้นมากกว่าเก่าสังฆเสถีเห็นว่าเพื่อนพักผ่อน ท่านว่าไปเลยว่าไปเลยเมื่อได้นั่งฟังสามีเล่าโอกาสท้ายสุดนั้น ช่วยอย่าเสียใจไปเลยเพื่อนฐานะให้ตนด้วยจะเสียใจไปเลยเพื่อน ปิลิยะดีใจเป็นที่สุดดีใจเป็น 40 โกดที่สังฆเศรษฐีแบ่งให้กลับถึง 80 โกดได้ สันขเสถีเพราะกิจการไม่สู้ดีนักกลับตกต่ํา ของ Katie ถึงจะเวลื้อเกราะ ถึงพอล์อุกößAreangath Muse ที่ทำไมเหรอาววะหรอกเหมือน่าooh ได้ sû�나 imagine ไพริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ มีนําซ้ํายังไม่ยอมลุกขึ้นต้อนรับอีกด้วยมันมีทุร้าอะไรอะพราะก็มหาท่านไงเพื่อนแล้วท่านพักที่ไหนอะเอยังไม่วิธีพักเลยอะข่ากับรยาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เอง ข้ากับพระยาน่ะกําลังเดือดปิริยะว่าแล้วเขา เพราะ 1,000 เกวียนอยู่ใน เขากับปิริยะเศรษฐีนั้นพบกันมานาน พี่เอออะไรมาเนี่ยเอ่อปิริยะเศรษฐี เราให้เขา 40 กฎแต่เค้าให้เราเป็นข้าวสาร แม้สังฆเสถีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไร แต่ก็รู้สึกแปลกใจขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจที่ๆ บางก็พากันไปจริงหรือเปล่าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อ พอเห็นเขาตอบแทนท่านดีไหมทำไมถึงเงียบล่ะที่บากหน้า ขอพระได้เราจะจัดการให้ท่านเอา เมื่อได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พา ช่วยเหลือแล้วได้รับผลตอบแผนที่น่าชื่นใจจากบุคคลผู้รักความยุติธรรมด้วย